ขอความสุขความเจริญจุงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้จะนำเสนอพระสูตรในสังยุตติกายซึ่งก็เป็นคำกราบทูลถามของเทวดาอีกเช่นเคยท่านเรียกว่าวิโมกขสูตร คือสูตรที่ว่าด้วยจิตซึ่งหลุดพน้นจากกำนาดของกิเลสแล้วก็หลุดพน้นจากความทุกข์คํานี้ก็เป็นหนึ่งในหลายๆคําอาจจะใช้นิโรธก็ได้ใช้คําว่าปัมโมกก็ได้วิโมกก็ได้วิมุตติก็ได้หรือสันติก็ได้ก็ใช้คําได้เยอะ เป็นผลรวมของการปฏิบัติตนแต่ตำหลักอริมักเปองแป8ประการเมื่ออริมักเปโองแปรประการผลึกเป็นเนื้อเดียวกันก็จะเกิดญาณผุดขึ้นแล้วก็ขนาดนั้นแหละใจของท่านก็จะหลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสแต่ว่าวิธีการถามเนี่ย เทวดากราบทูลว่าทรงทราบที่หลุดพ้นของสัตว์ทั้งหลายหรือไม่ก็ถามต้องการใครจะรู้ทีนี้ตามปกติคนที่ถามปัญหาเนี่ยในอัตตกถาปปัญญสูทนีนี่ท่านจำแนเกเอาไว้เป็นห้าประเภทด้วยกันประเภทประเภทแรกเรียกว่า อาทิฐตะโชธนาปุจชาคือถามเมื่อต้องการทราบข้อความที่ตนยังไม่รู้ไม่เห็นซึ่งเมื่อเราตอบไปแล้วเนี่ยก็จะถามต่อถามต่อจนกว่าเขาจะเข้าใจแต่สรุปว่าโดยเจตนาจริงๆนั้นคืออยากรู้ในเรื่องที่ตนคล่องใจสงสัยแม้บางเรื่องเนี่ยรู้ไปแล้วก็ ไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรเท่าไหร่ขึ้นมาเช่นพูดถึงาศาสนาพศิอาอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้เพราะว่าคือถ้าตามที่ท่านบอกเนี่ยมันอีกนานเลวเกินไม่รู้ไม่รู้นานเท่าไหรอ่อ่ะพอพูดไปมันก็เท่านั้นเนี่ยแล้วก็คลายข้อข้องใจสงสัยไม่ได้ โดาปกติแล้วใจคำถามคนจะสายไปสู่อดีตกับอนาคตซึ่งพิสูจน์ไม่ได้ทั้งคู่แต่คนก็จะชอบถามในเรื่องเหล่านั้นพระอดีตมันก็ต้องอาศัยความจำความเข้าใจที่เคยศึกษาแล้วเรียนมาผู้ตอบเองก็ไม่มีสัมผัสตรงหรอกคือถ้าไกลเกินไปเว้นไว้แต่ว่าบางเรื่องที่เรา ร่วมอยู่ตรงนั้นด้วยซึ่งแง่ของความจริงเราก็เอารายละเอียดมากไม่คยได้เหมือนกันแต่คนมักมีความรู้สึ ก, กว่าน่าเชื่อเมื่อก็ทํานองแรกแกเล่าข่าวคราวต่างๆที่เกิดขึ้นในกรณีของ14ตุลาคมหตุลาคม21พฤษภาษคม คนที่ล่าก็อ้างว่าตัวเองอยู่ตรงนั้นเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างซึ่งเราไม่ได้คิดต่อว่าคนอยู่ในเหตุการณ์น่ะยิ่งเห็นน้อยกว่าคนอยู่คนไม่อยู่ในเหตุการณ์อางเช่นว่าดูโทรทัศน์อยู่ที่บ้านกับคนอยู่ที่ท้องสนามหลวงเนี่ยคนที่อยู่ดูโทรทัศน์ที่บ้านเห็นได้มากกว่าประกล้องโทรทัศน์ก็อยู่สูงแล้วเ็สามารถที่จะ สายไปแล้วก็ซูมเข้ามาได้เยอะไม่แยะไปหมดเลยแต่คนที่อยู่ตรงนั้นก็อยูอืดหน้าไปอีกด้านหนึ่งยีด้านหนึ่งตัวเองก็ไม่รู้แล้วแล้วถ้าตัวเตี้ยหน่อยในะยิ่งไม่เห็นใหญ่เลยแต่ตัวเราเสมอคนอื่นก็มองก็เห็นแต่หัวคนแต่เราสูงขึ้นกว่านั้นมันก็มีคนน้อยแหละที่จะสูงมากกว่าคนอื่น รเราเนเฉพาด้านที่เรามองไปและที่สาคัญอย่างยิ่งคือไม่ได้ยินแต่บางคนที่เขาดูทางโทรทัศน์เนี่ยเขาตั้งได้เห็นทั้งได้ยินเพราะว่ามีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเข้าไปช่วยแต่ตามปกติแล้วคนมกักจะยอมรับนะฮะแล้วก็ไม่ได้คิดต่อจึงถือว่าเป็นจุดอ่อนที่น่าห่วง เรื่องอนาคตเนี่ยเราก็จะเชื่อในเรื่องหมอดูเรื่องส่งเจ้าเข้าผีในเรื่องอะไรต่างๆนี่วงซวยวงเซยวงจุยอะไรต่างๆ่อก็หลอกได้ตลอดอะนะเมื่อไรก็เมื่อนั้นคือยังบอกหวยเนี่ยคนก็ถูกต้มมาตั้งแต่ไหนแต่ไรก็ต้นรัตนกโกสินทร์มื่ก็มีการเล่นหวยแล้วพวกนายกรบ่อนเบีย้ยพวกปลายุทยาก็มีแล้ว เราก็ดูวันคดีต่างๆเนี่ยปรากฏว่าแม้แต่ตอนอยุทยาต้นๆมันก็มีแล้วหรือสรุปกระกหน้านั้นก็มีพอถ้าเราดูในเรื่องชาดกเนี่ยภูกรบายมุกต่างๆมันก็มีอยู่ในชาดกก็แสดงว่าอบายมุกมันก็มากับมนุษย์นี่แหละมันเกิดจากความโลภหลงภายในใจของมนุษย์เองแล้วก็สร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมา ว่าจะเป็นยังไงก็ตามนะคือว่าผลไม่จะออกมาเหมือนกันคือแพ้ก็เสียดายทรัพย์ชนะก็ก่อเวรก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่เราเห็นว่าคนคิดน้อยอะ่ะแล้วคนก็ยังอพอใจที่จะเสี่ยงโชคชะตาโดยพวกบายามุกทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกหวยพวกสละกินแบ่งนะพวกอะไรละ่ะทรงสินค้าต่งตางๆไป แนวการส่งสินค้าเนี่ยก็เหมือนกันฮนะคือเป็นวิธีโฆษณาอย่างหนึ่งแล้วก็คนก็มุ่งที่จะซื้อตัวสินค้าตัว น, นั้นแหละเพื่อเอาส่วนชิ้นส่วนที่เขากำหนดไว้นี่ส่งไปแล้วเราก็เห็นว่ามันกองเป็นปูข้อโลกาพวกอยู่ข้างล่างเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะถูกยกขึ้นมาหรอกมันอยู่ลึกเกินไปแต่คนก็ยังส่งนะ เพราะวิธีการเราเนี่ยเป็นวิธีการที่หลอกหลอกให้คนโลภแล้วก็กลัวว่าคนอื่นจะได้กลัวตัวเองจะไม่ได้ที่เคยยกตัวอย่างว่ากลัวให้กลัวก็ยั่วยากเพราะั้นการถามในแนวเนี้ยมันก็ควรจะถามเฉพาะเรื่องที่มันเป็นประโยชน์แล้วก็แก้ไขปัญหาได้นำไปใช้ปฏิบัติได้ แต่ถามที่ตั้งของสวรรค์ที่ตั้งของนรกเนี่ยมันก็พูดยากอะ่ะสมมุติว่าคนที่รู้เรื่องที่ตั้งสวรรค์นรกเนี่ยไปถามพระอรหันนิพพานท่านรู้แต่ถ้าตอบไปแล้วผู้ฟังก็ไม่เชื่ออยู่นั่นแหละเลียวแกก็ถามต่อไปนั่นแหละคือถ้าถามเนี่ยถามกรรมเป็นเหตุไปตกนรกเป็นเหตุเกิดสวรรค์เป็นเหตุรรหตให้ไปเกิดเป็นพรหมเป็นเหตุให้เป็นพระยาบุคคลเนี่ย คือเราปฏิบัติได้เราเว้นได้อย่างน้อยที่สุดมันก็หลีกทางนรกได้มาเดินทางสวรรค์เอาขนาดสี่ห้าได้เนี่ยถึงมันได้ประโยชน์คือต้องการรู้ก็ต้องรู้เหมือนกันว่ามันได้ประโยชน์หรือเปล่ามีเยอะที่เราสูญเสียไปเพราะต้องตอบคำถามซึ่งถามไปแล้วเนี่ยไม่สามารถแก้สงสัยได้แล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่ก็ยังมีการนิยมถามในเรื่องเหล่านี้ เอามานี้ตอบปัญหามามากก็เรียกว่าเป็นหมืนม่นๆคาถา ม, มานะฮะมานานล้าเกิดแล้วนะ แ, ลแต่ละทีเนี่ยก็เรียกว่าหลายสิบเพราะว่าอย่างน้อยเราก็สองชั่วโมงนะตอบคําถามอยู่สองชั่วโมงคําถามบางทีก็ตอบได้เยอะนะฮะแต่เราก็เจอว่าปัญหาเป็นอันมากที่ต้องการจะรู้จริงแหละแต่ว่าไม่เกิดประโยชน์คือรู้ไปแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไร แล้วบางทีก็นำไปสู่การข้องใจสงสัยต่อไปอีกหรือทําไปอีกประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าทิฏฐสังสันธนาปุจฉาถามเพื่อเทียบเคียงสิ่งที่ตนได้รู้มาแล้วว่าตรงกันหรือไม่แต่เนี่ยก็หมายความว่าเราก็รู้มีฐานข้อมูลในเรื่องเหล่านั้นอยู่แต่ว่ายังไม่แน่ใจแล้วก็ถามเทียบเคียงแล้วก็ตอบถ้าตรงกัน ก็ถือว่าใช้ได้แต่ปัญหาว่าที่เรารู้มากับที่เ้าตอบเนี่ยมันอาจจะเป็นบังเอิญตรงกันอาจจะไม่จริงก็ได้แล้วก็ยังมีปัญหาต่อไปแล้วก็บิมติเชษธนาปุจจาถามเพื่อแก้ความสงสัยข้องใจของต้นหมายความว่าถูกหรือไม่ถูกอันนี้จริงหรือไม่จริงอย่างนี้ใช่ไหมอะไรต่ออะไรเนี่ย เราก็ตอบตรงเราก็หมดข้อข้องใจแต่ต้องมองนะเราถามใครแล้วเขารู้ลึกซึ้งในเรื่องเหล่านี้ขนาดไหนมันไม่ใช่ลงตัวไม่มีอะไรลงตัวคือเรามองดูความคิดอ่านในปัจจุบันเนี่ยยิ่งยากเพราะอะไรเพราะว่าอย่างอินเทอร์เน็ตอย่างเนี้ยคนเคยเขาเรียกอะไรโหลดมาให้ดูคือเราอ่านดู บอกว่ามันไม่ใช่ข้อยุติอะไรอยคือหมายความว่าแกแกคิดว่าแกรู้แกก็ตอบแกเรื่อยเรืนะ่อยเรื่องบางอย่างทช่เรื่องธรรมะเรื่องาศาสนาเรื่องอะไรต่ออไรต่างเนี่ยเธอก็ตอบแต่ปัาปหาจริงจริง่เธอรู้หรือเปล่าเพราเธอใช้ความคิดสัญนใหญ่เธอใช้ความคิดเอายัางเคยสังเกต ร, รายการตามหาแกนทม หลายปีมาแล้วนะฮะวิทยากรตอนนี้ก็เป็นสวออคือรักษาการนาทีสวเคยท้ามาก็เคยไปออกแล้วเขาก็ก น, นิมนต์ครั้งสุดท้ายนะฮะวันนั้นก็ทุ่งติงเขา่อน้างแรงหนะ่อยบอกว่าวิธีการของคุณเนี่ยคือสร้างความสับสนขึ้นในวงการระศาสนา พระวิทยากรแต่ละคนที่คุณเชิญมาเนี่ยแกพูดตามความเห็นแกไม่พูดในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสรงแสดงในเมื่อพูดถึงพระพุทธศาสนาต้องถามว่าในพุสาศาสนานี้มีอะไรเป็นแก่นแล้วคนที่บอกว่าอะไรคือแกนเนี่ยคือพระพุทธเจ้าไม่ใช่เราบอกเองและพระเจ้าก็บอกให้แล้วแกนส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้วิมุติเป็นแก่นแต่บางครั้งนี่แสดงครบผ้าเลย อย่างก่อนที่จะเสด็จดับขันธปรินิพานเนี่ยจะทรงเน้นที่แก่นธรรมห้าประการเป็นส่วนเหตุเสียสามเป็นส่วนผลเสียสองก็คืออะไรก็คือนิโรธกรรมะ ก, ก็ทรงใชก้กรรมวิีลสาระแก่นคือศีลสมาธิสาระแก่นคือสมาธิปัญญาสาระแก่นคือปัญญาแล้วเมื่อแก่นสามแก่นเนี่ยเขาผนึกเป็นเนื้อเดียวกันมันก็เป็นวิมุตติสาระ คือจิตมันหลุดพ้นแก่นคือการที่จิตหลุดพ้นจากอำนาจกิเลสแล้วข้อต่อไปก็เป็นวิมุตติญาณทัศนาสาระคือความรู้ความเห็นว่าจิตของเราเนี่ยหลุดพ้นจากอำนาจกิเลสก็เป็นสัมผัสตรงทางใจของคนแต่ละคนมันไม่ใช่เป็นเรื่องความเห็นนะฮะเป็นเรื่องสัมผัสความเห็นก็เห็นได้เลยแลละก็พูดกันได้เลยคนไทยพูดได้ทุกเรื่องแหละแต่ปัญหาตองกัรว่า เรื่องบังเรื่องนี้เรารู้จริงหรือเปล่าคือรู้ไมจริงก็มีอย่างเดียวก็คือเราไม่พูดอะแคานนั้นเองแต่ว่าคำถามในแนวนี้มันก็มีซึ่งอย่าอย่าคิดว่าคือข้อยุติแล้วก็ถามเพื่ออนุมัติจากผู้ถูกถามอันนี้ง่ายๆหมายความว่า ยาเนี่กินได้ไหมยานี้แกป่ปวดแกแก้ปวดหัวปวดท้องไหมถามหมออย่างเงี้ยหมอบอกว่าใช่นะกินยังไงนะเพราะก็ตอบเพราะก็กินได้เลยยืเลยเป็นการถามเพื่จะตอบเองนะพระพุทธเจ้าจะถามบ่อยเพราะว่าต้องการดึงความสนใจของผู้ฟังเนี่ยให้มาอยู่กับเรื่องที่สรงแสดงนะเช่นว่า อริโยะถังิโกมะโเสยยทธิดังคืออะไรบ้างคือสัมมาทิฏฐเอาก็ว่าไปก็ส่งอธิบา ย, ยนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเป็นมิจฉาการตรงนี้ที่จริงเนี่ยมีพระประสงค์จะตอบเองคล้ายๆกับครูถามนักรเรียนครูถามพ่อแม่ถามลูกอะไรต่ออะไรนี่คือต้องการจะอธิบายต้องการอธิบายจะเองต้องการแกข้ข้องใจข้อข้องใจสงสัยเกลลูกเสียเอง ผลคำถามเทวดาในสูตรนี้เราจะเห็นว่าเทวดาถามว่ามกขะย่อมมีเพราะนั้นชิและพบสิ้นไปสัญญาและวิญญาณก็สิ้นไปด้วยเวทนาทั้งหลายเล่าก็ระงับไปตามกันดูก่อนอุโสเรารู้ที่สุดพ้นที่ที่สงศสงบสงศของสัตว์ท่างหลายอย่างนี้แหลคือเทวดาเขาถามนะเทวดาถามว่าทรงทราบที่หลุดพ้นของสัตว์ทั้งหลายหรือไม่ ทีนี้ปัญหาวุฒิภาวะของผู้ฟังเราเห็นว่าผู้ฟังในสูตรก่อนเนี่ยมันค่อนข้างจะจองหองแต่ผู้ฟังในสูตรนี้ที่จริงก็เจตนาจะทราบว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงทราบที่หลุดพ้นของสัตว์ทั้งหลายหรือไม่ทีนี้พระเจ้าก็รับสั่งถึงเหตุนะให้เราสังเกต ร, รับสั่งถึงเหตุ ว่าถ้าเป็นอย่างนี้ผลมิจะออกมาเป็นอย่างนี้หมายความกค่ะคือจิตที่หลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสในกรณีนี้ก็เน้นไปที่ที่ตัวตัวเหตุนะฮะตัวตัวผลฮะตัวผลก็มันต้องดับตัวนันทิ คือจิตที่เพลิเพลินชื่นชมยินดีด้วยมา ร, ราคาตันห า, า, นา ต, นต่างๆนี้โลภะหรืออะไรต่างๆพวกรติคือกิเลสประเภทโลภะกิเลสประเภทวค ว, าควา้าก็มหาเราได้เห็นก็เพลินได้ยินก็เพลินสุดลมก็เพลินลิ้มก็เพลินจับต้องก็เพลิอนอ่ะพวกพวกเรียกกันนันนั น, นชิแล้วก็เมื่อ น, นันทิมันมันดับเนี่ยพบมันก็ดับพบนี่ยส่วนหนึ่งเป็นภาวะคือความรู้สึก<ร>มีรู้สึกเป็น รู้สึกเราเป็นอย่างนั้นรู้สึกเราเป็นอย่างนี้รู้สึกเราเป็นอย่างโ น, น้นมันก็เป็นพบอยู่ภายในใจแล้วอาจจะนำไปสู่พวกอาหารการมมืงการต่างๆอย่างนหนึ่งก็คือบุญบาปนะเขาเรียกสังขารภพเนี่ยคือบุญบาปตลอดถึงอเนินชาแต่ในที่นี้หมายถึงสถานที่ที่อุบติสถานที่เกิดเกิดเน้นไปที่สถานที่เกิดซึ่งเราจะเห็นว่า มันก็ไปสอดคล้องกับคําว่าก็เลยาณได้บังเกิดขึ้นแล้วแก่เราว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพบใหม่ไม่ได้มีอีกต่อไปเพราะอะไรเพราะว่ามันดับตัญหาที่เป็นเครื่องนําไปสู่พบเนี่ยเหมือนลักษณะของของขอ ง, ของนันทิก็คือกรรมปัญหากับเพราะวะตัญหาทุกข้อแหละมันนําไปสู่พบทางนั้นก็แล้วแต่ว่าจะยกข้อใดขึ้นมาแล้วสังว่าสัญญาและวิญญาณก็สิ้นไปด้วย คือสัญญาเป็นเหตุในเนิร์ดชาเป็นสัญญาที่ก่อให้เกิดการยึดมั่นถือมั่นน่หมายความมารูปของเราเวทนาของเราสัญญาของเราสังขารก็เราวิญญาณเราก็เป็นความจำหมายแล้วก็ให้เกิดความยึดมั่นถือมัน่นในขณะเดียวกันวิญญาณก็คือการรู้รูปรู้เสียงแล้วก็ไปทึกทักไปยึดติดในสิ่งเหล่านั้นตรงนี้ก็ต้องดับต้องดับด้วย พอมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยผู้ศึกาพระหันต่างหลายก็ก็สักแต่ว่าสัมผัสคือสักแตว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าสูดดมสักแต่ว่าลิ้มสักแต่ว่าชิมสักแต่ว่จับต้องได้มันไม่อ่อนไหวไปตามอารมณ์รสนั้นฝันรูปมันก็สักแต่ว่ารูปเสียงก็สักแต่ว่าเสียงกลิ่นก็สักแต่ว่ากลิ่นรสก็สักแต่ว่ารส เย็นรอนนแข็งก็สัตว์่ว่าเย็นร้อนแข็งถ้าถามว่าจำไหมมันก็จำมาแต่ว่าไม่ใช่ทำให้นึกช้าเป็นลักษณะของปัญญาเหมนเราจะเห็นว่ารู้จ่าประหารทั้งหลายเนี่ยท่านรู้ทันในขณะนั้นนั้นแล้วก็กิเลสมันไม่มีให้ให้ให้เกิดแต่ว่าทรงใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นในการชี้แนะในการอธิบายแก่คนทั้งหลายได้ หมายความว่าไม่จาเป็นจะต้องตอบอย่างนี้เสมอไปแต่นี้ก็คือหนึ่งในวิธีการตอบเวททั้งหลายเวทานาทั้งหลายเล่าก็ย่อมระ ง, งับตามไปช่เวทานาเนี่ยเรารู้สึกยินดียินร้าย ร, ารู้สึกเราเป็นสุขเป็นทุกข์เพรา ะ, ะนั้นเวทานามันก็เกิดเป็นสุขเป็นทุกข์ตามความชอบชหรือความชังของเราทีนี้กิเลสเป็นเหตุได้ชอบสังมันไม่มีอยมันก็ไม่ได้เกิดความยินดียินร้ายอะไร นะถ้าถ้าเราลองสังเกตนะสมมุติโดยรักษาศีเนีนะ่ยรักษาศีลศีลแปดยกตัว อ, 8, อ, อย่างว่าศีลแปดหรือว่อาศีลศีลข้อพระเนี่ยแล้วก็ไปเจอคนคนรับประทานอาหารนะตอนเย็นคนรับประทานอาหารอยู่ใกล้คุติก็ได้ที่ไหนก็ได้เราก็ไปก็เห็นคนรับประทานอาหาร เ, เราก็เฉย ค, คือไม่รู้สึกสนใจใส่ใจอะไรแต่อะไรเลยเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าตรง น, นั้นทีจริงวิญญาณกระดบับสัญญากระดบับเวทนากระดบับไม่รู้สึกยินดียินร้ายอะไรไเรื่องของเขาเราไม่ได้เกี่ยวอะไรเขาเพื่อก็สักแต่ว่าวันนี้สักแต่ว่าขันห้ามันก็สักแต่ว่าขันห้าไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเรารัชสั่งว่าดุกอนุโศเรารู้ที่หลุดพ้นที่สงบสงัดของสัตว์ทั้งหลายอย่างนี้ แต่อย่าต้องต้องเข้าใจว่านี่คือปริยายปริยายที่พูดแล้วเทวดาตนนี้เขาเข้าใจก็ท่งแสดงอย่างนี้แต่หมายความว่าจะพูดโดยปริยายอื่นไอ้อย่างนี้ปรากฏไหมก็ปรากฏเหมือนกันแต่ว่าเราจะเน้นตรงไหนยันที่บอกว่าคล้ายๆกับเราไปในที่ใดที่หนึ่งแล้วเราก็เราก็ไปไม่หมดออกนะ เชนสมมติว่ายาติโยมไปเที่ยวดูนิทัศกาลที่เกี่ยวกับบัตรเสน็จไปจะ อ, อยู่หัวที่ตึกมนุษย์นาเนี่ยนะคือออกริงมันก็เดินเป็นบทอะเพราะโยมาของมาขายเยอะแล้วตัวเนี้ยค่อนวัดเนี่ยนะฮะคือหมายความว่าล้อมวัดด้านถนนประสุมเมนไปด้านซอยบวร น, นเวศพิหารวันก็ไม่มีใครเดินหมด เวลาเราอธิบายเราก็อธิบายเท่าที่เราไปเห็นนะแล้วรายได้จริงๆมันก็ไม่ได้ผมก็พูดเท่าที่เราเห็นแต่ก็สรุปว่าสถ า, านที่นั้นนะคือนิทัศกาลทีนี้มันมีประเด็นที่ที่ควรทำความเข้าจายอยู่หลายประเด็นนะประเด็นที่ว่าเนี่ยคือนันชีเนี่ย มันที่แปลความเพลิดเพลินเป็นกิเลสประเภทโลภะเป็นกิเลสประเภทโลภะตัณหาประเภทคว้านะฮะประมาณความประเภทควาเข้ามาคือด้วยจิตที่จริงเราไปกําหนดมันว่าหน้าใคร่หน้าปรารถนาน้าพอใจอะไรแลแต่ใครจะคิดอ่ะคือเราหาข้อยุติไม่ได้จริงๆคือถ้าถ้าลองสังเกตดู เทนวรับประทานอาหารบนโต๊ะเนี่ยคนก็ชอบต่างกันลวก่อนก่อนก็เล่าให้คนเรฟังคือไปในต่างจังหวัดนะฮะแล้วก็ไปถึงจุดหมายปลายทางไม่ทันเด็กก็ต้องวิ่งไปหาหารตามร้านสะดวกซื้อเราก็เคยคุยกับเขาอะบอกเอพวกคุณเนี่เอารูปเสียงกริดรถผลพระ มาเป็นตัวขายไปปรุงแต่งให้รูปเป็นหน้าสนใจเสียงหน้าสนใจกลิ่นหน้าสนใจรสหน้าสนใจสัมผัสหน้าสนใจต่อเขาเด็กไปซื้อมาพอถวายพอเปิดดูเออจริงยังเหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะจรอยู่บนอารมณ์โลกอ่ะคือโลกบันชายตัวนี้เป็นเครื่องมือตลอดก็โลกมันโลกสัมผัสเนี่ยยังไงมันก็รูปเสียงกลิ่นรสรสภธรรมารม จะกี่ร้อยปีกี่ล้านปีก็ไม่รู้มันก็คือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมนุษย์มันก็ลงยึดติดอยู่เนี่ยแต่ถ้าเราไปกําหนดมันไปให้ควา ม, มําคัญแกบมานเนี่ยนันที่มันก็เปลือเกิดเราเฉยๆนันที่มันก็ไปเกิดมันที่มันก็ดับไปเองแต่มั น, ไ, น, นไม่เกิดเราจะมองในแง่ของความปฏิกูล น, น่าเกลียดมันก็มองได้เพราะจริงๆมันก็เป็นอย่างนั้นแหะทีนี้ปัญญาเรามีไม่มากพอที่จะมอง มันก็ก่อให้เกิดอาการสยบติดได้คือยงที่บอกมาแล้วว่าพบเนี่ยมันมีหลายเนายากแล้วเขาก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าเน้นอะไรนะเช่นสมมติว่าปฏิภพคือพบที่สัตว์ไปอุบัติเนี่ยมันก็เป็นผลของบุญของบาปแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็มีการทําพูดคิดที่เป็นบาปเป็นบุญอยู่ ก็แสดงว่าและความรู้สึกว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้ก็มีอยู่ก็อยู่ในตรงนั้นแหละแคล้ายๆ์ก็เรามองดูจิตเราในขณะนี้เราอยู่ในกามาภพอยู่ในโลกมนุษย์มันก็เป็นพพอย่างหนึ่งอ่ะคือการมาภพในขณะเดียวกันเรารู้สึกว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วเรามีคิดทำผู้ที่เป็นบาปบางเป็นบุญบางแต่ว่าเวลาหยิบมาพูดเนี่ยมันจะจะเอาตรงไหนมาพูดละ่ะ สื่อสารที่ให้คนก็เกิดความเข้าใจอย่างพูดว่าอุปาทิภพเนี่ยมันค่อนข้างยากแหละแต่ถ้าเราพูดเนี่ยเราพูดสังขารภพดีกว่าคือมันจะง่ายเพราะว่าคนดูที่จิตได้คุณดูที่จิตเนี่ยจะเห็นสังขารภพเห็นบาบเห็นบุญเห็นจิตที่ส ง, งบเย็นซึ่งเขาสัมผัสได้บ้างในบางโอกาส มันก็แสดงเห็นว่ามันก็มีอยู่ภายในจิตแล้วก็มีเหตุข้างมันก็นำไปสู่ภพอย่างอื่นที่หลังเพราะตามปกติแล้วก็ะจะเน้นในพวกของของสังคาระภพเนี่ยเป็นหลักแล้วเราก็ไม่ได้สังคาระภพเราเราะมันมันยุ่งนะแต่พูดถึงกุศลนัล้กกุศลพูดบาปพูดบุญอย่างเงี้ยคือพูดภาษาที่มันง่าย ว่าในในในตัวนี้ก็ทั่งก็จะแนกไปเป็นสามอย่างที่ในกรณีที่เป็นสังขารพบ่ะก็คือบาปคือบุญแล้วก็คืออรูปฌานแต่ที่เราพูดมากเนี่ยเราพูดออกมากก็คืออาบาปอาบุญอ ร, รูปฌานที่จริงคือบุญที่มันประณีตทีนี้ถ้าเราไปยกอรูปฌานขึ้นมาเอาเรนทิบางแห่งก็ยุ่งอีกแล้ว มันกระตีบายากเพราะว่ามันเป็นชั้นของจิตที่ประีตโ ด, ดยการผ่านปฏิบัติไปจนถึงอรูปฌานซึ่งก็ไม่จะสัมผัสได้ง่ายแต่เราก็ดูได้นะฮะดูได้ว่าต่บางครั้งเนี่ยถ้าเรามองให้ดูให้หลีเช่นว่าอากาศ า, านาัญญาเตนาเนี่ย เอารู้ไออากาศมันก็มีที่สิ้นสุดอะเราจะว่ายังไนจยงหนึ่งมันก็ไม่ได้มันไม่มีที่สิ้นสุดเราก็ไม่ใส่ใจไม่ให้ความสำคัญก่อากาศจะหนาวจัดร้อนจัดอะไรแต่เรื่องของมันเราก็เฉยๆเสียมันก็จะเดือดร้อนเพราะอากาศน้อยลงวิญญาณันใจจตระมันก็มีลักษณะอย่างนั้นในสุดมันเกิดโอ้วิญญาณมันเวอะวลววววววววววยกวววววววนวววววววลววววววววววววว มันไม่ถึงกับรูปฌานหรอกแต่ว่าหมายความว่าเราก็ทำใจให้ส ง, งบจากอารมณ์เหล่านี้ได้แล้ประการต่อไปก็คือเราเห็นว่านันทิมันเป็นสังขารขันในขันห้านะอุปติภพเนี่ยมันเป็นรูปขันแต่ในขณะเดียวกันพวกนันทิพวกพวกพวกสังขารขันที่มันพบที่มันเป็น สังขารภพมันก็เป็นสังขารขานนีกกัตกลงว่ามาสรุปรวมที่รูปเสียงกลิน่นรถไะ่ใช่ขันห้านะมารูบรวมนี่ขันห้ า, ารูปเสียง ก, ย ก, ยก็คือกันนั่นแหละแล้วก็ประการต่อไปก็มีถ้อยคำที่เป็นศัพธรรมะซึ่งถือว่าเป็นคำค่อนข้างหมายตาปกติเราก็ไม่ค่อยคุยะนะไม่ค่อยพูดหรอก เรื่องวิโมกเรื่องปะโมกเรื่องโมกษะอะไรต่ออะไรโมกขะโมกษะพูดได้มันต้องอธิบายอ่ะต้องอธิบายกันเยอะแล้วการทําความเข้าใจเนี่ยที่จริง ก, ก็ค่อนข้างยากแต่ว่าดูได้นะฮะว่าปะโมกเนี่ยในที่นี้ก็หมายถึงตัวมักแตมก่มักในที่นี้หมายถึงโน้นเลยนะฮะโสดาปฏิมักริกากรากนากายมักราหัสตักมัก คือทั้งหมดมันเป็นวายพจน์ของนิพพานพวกนี้ในะที่บางแห่งเนี่ยคือถ้าเขาไม่อยู่ด้วยกันนะเพราะอยู่ด้วยกันเนี่ยก็เป็นทั้งเหตุทั้งผลแหละที่นิพพานเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นส่วนเหตุคือในขณะดับเป็นส่วนผลคือในขณะที่เราหลุดพ้นจากกิเลสแล้วเรามีความสุขความสงบเราพูดระดับเหตุก็ได้ระับผลก็ได้ทีนี้บางทีเนี่ยทรงใช้คําที่เห็นว่าจิตมันเลื่อนไป นะเช่นเช่นที่ทรงแสดงในธรรมจักวัตนะสูตรเนี่ยจกขุกรณียานกรณีกระทําดวงตากระทาญาณให้บังเกิดขึ้นและอุปสมายะคือกิเลสมันสงบแล้วก็ทาให้ตัวเนี้ยที่จริงก็จะขุญาณนี่แหละแต่ทรงเรียกว่าพิญญาคือความรู้มันสูงขึ้นก็หมายความปัญญาคือแสงสว่างเนี่ยมันเพิ่มขึ้นประทึจุดหนึ่งก็สมบูทายา คือศัรูสสุรุกนิพานเพราะสัมโพธะกับนิพานเนี่ยที่จริงเข้าเป็นบางที่เนี่ยเราก็ใช้แทนกันได้แต่ตรงนี้ผลิตใช้ใช้สัมโพธาเป็นเหตุแล้วก็นิพานเป็นผลทีนี้พวกประโมกวิโมกประโมกก็เหมือนกันนะจะเห็นว่าประโมกก็หมายถึงผลซึ่งเกิดขึ้นจากการรวมตัวของมรรคในองค์แปประการที่สมบูรณ์ ทีนี่คำหนึ่งก็คือวิเบกะวิเวกวิเวกที่จริงหมายถึงการสงัดสงัดมันก็มีอยู่3ามสี่ระดับนะถ้าเราดูให้ดีก็มีสี่ระดับคือสถานที่ที่สงัดเงียบจากเสียงรบ ก, กวนแล้วก็กายของเราที่สงัดจากการทําบาป พ, พูดบาปและจิตเราที่สงัดจากกิเลสประเภทนิวรณ แล้วจนถึงอุปธิพเวก ค, คือมันสงดจากกิเลสเพราะนในที่เนี้ยหมายถึงอุปทิพิเวกแล้วก็ขึ้นไปถึงนิพพานเลยคำคำเนี้ยบางทีก็หมายถึงนิพพานอุปธิพยเวกเต็มที่ก็คือนิพพานเป็นผลหลังจากการบรรลุอริยผลแล้วนะแต่ว่าถ้าเราพบในที่บางแห่งคำเหล่านี้มันเป็นบวยพพน์กันได้ เพราะอย่าลืมว่าภาษาเนี่ยมันมีอยู่ก่อนศาสนาศาสนาเกิดขึ้นแต่ศาสนาไปสร้างภาษาใหม่ขึ้นมาอีกแล้วยุ่งได้เลยเพริร์ลก็เอาภาษาเก่านี่แหละภาษาที่เขาคุ้นๆแล้วก็มีเนื้อหาอยู่ระดับหนึ่งแต่เช่นยกตัวอย่างวันนิพานเนี่ยเออสมัยก่อนเมื่อก่อนนิพานอะดบไฟก็ไฟนิพานแล้วแต่แกงก็ร้อน เราก็ตักลงมาพอกินได้เราบอกแกงนิ้ผ่านแล้วกินได้ละว้อนยาร้อนๆเี่ก็เป่าตัวแม่โบรนนาณนจเจ้าเขาปากเป่านะรอไปหน่อยเป่าหน่อยอ๋ อ, อนิพพานแล้วยางนิพพานแล้วเอา ก, กินได้หรือว่าสบายใจล่ะก็ ถ, ถือว่าเป็นนิพพานอย่างที่เจ้าหญิงอิสาโคเ ต, ตมีแม่พระศรีวลีได้กล่าวเมื่อตอนพบกับเจ้าชายทิตตะเดินสวนทางกัน ท่านตื่นเต้นท่านตะลึงเลย่โอ้โอคนดียิ่งใหญ่มากท่าทางเนี่ยกก็เปล่งเร็ทุนขานกันว่านิพุตานุนาสามาตานิพุโตนุนัสปภตานิพุตานุนสารนาริยัสายังอีโสปจิใครเป็นพ่อของผู้ชายคนนี้ใครเป็นแม่ของผู้ชายคนนี้ใครเป็นพันยาผู้หญิงคนใดเป็นพันยาของผู้ชายคนนี้ดับเย็นสนิทแล้วสบาย ผู้ชายคนนี้จะไม่สร้างปัญหาใครๆแต่จะทำให้คนอื่นในสงบเย็นตามไปเมันจริงๆตรงนี้ที่จริงคือสบายใจใชยๆมันไม่ได้หมายถึงนิพพานดับกิเลสไ้แล้วเสจแล้วก็มานิยามใหม่บางทีมันนิยามเลยไม่เข้าใจอ่ะเพราะว่าเป็นเรื่องการนิยามใหม่ก็ใช้คำซ้ำๆ อย่างยกตัวอย่างเช่นพูดถึงสัมมาญาณเราจะเห็นว่าตามปกติก็ไม่พูดเรื่องสัมมาญาณกันจะพูดเก่ยวกับสัมาทิฏิสมาทัณฑะปะก็โอไม่ไหวแล้วแต่ละข้อเนี่ยคือถ้าเราให้เกิดอริยมรรคแต่ละข้อได้จริงๆเนี่ยแต่ละข้อไม่ใช่ง่ายเลยเพราะอะไรเพราะกรอบเขาข่ า, ขายเขาใหญ่อย่ายกตัวอย่างว่าสัมมารกรรมันต์เนี่ยพระพผู้ชอบอ่ะพูดพูดเป็นไทยว่าพระพฤติชอบเนี่ย ในภาคสนาวนี่มันต้องขัดถึงใจะนะแต่ขัดถึงใจหมายความว่าใจมันเป็นธรรมะไม่ใช่ใจมันเป็นสีนะใจมันเป็นธรรมะไปเลยอย่างสีข้อที่หนึงใจไปอยู่ชี้อย่างน้อยเนี่ยเมตตากรุณาหรือหิดีโอตปะหรือกรุณาเลยซึ่งก็ไปไม่ใช่ง่ายเลยพราษีข้อที่สองเนี่ยมันอยู่จุดหนึ่งก็เป็นการเลี้ยงชีพในทางที่ชอบทุกลำดับขั้นตอนของการแสวงหากันได้มากาันถือครอง การเก็บออมกันพวกใช้สอยการแจกแบ่งมีลำดับขั้นตอนของมันแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยยุติโดยธรรมเอาไเอาก็จริงๆไม่ใช่ง่ายคื อ, อย่างนึกเล่นๆเนะ่ยนึกเล่นๆนะสมมุติว่าคนมียานอย่างรู้แล้วก็สามารถที่จะรดนันดาล เช่นว่าข้าราชการเนี่ยเพื่อต้องการจะเคลียร์ตัวเองให้บริสุทธิ์จริงๆมาดูสิมีใครเคยเคยอขอรับชั้นมาบ้างสมมติเอานะสมมติว่าคนเนี้สามารถที่จะทำให้คนซึ่งขอรับชั้นเนี่ยปวดท้องยังนึกตยวเองจะเหลือสักกี่คนที่ไม่ปวดท้องเป็นเรื่องละเมียดละไมนะ เพราะอะไรเพราะว่าในบางเรื่องเนี่ยเขาไม่ได้ถือว่าเป็นชออ่อโคงมันเป็นเรื่องสังคมสังคมเขาว่าถูกคือถูกหรือสังคมมันถูกแหละแต่อะไรเงี้ยธรรมะเนี่ยมันอีกมาตรฐานหนึ่งสังคมว่าอย่างไงไม่สำคัญในธรรมะว่าอย่างเงี้ยสังคมมันจะถือว่าการถูกต้องนะเช่นสังคมของพ่อค้าของเถื่อนเนี่ยเขาถือว่าเป็นความถูกต้อง แล้วก็ใครค่าของเถื่อนได้มากก็ถือเป็นฮีโร่ไปเลยแต่ยังไงก็ไม่รู้อ่ะมันก็ผิดอ่ะกลายเป็นมิจฉาชีพอ่ะอมกรอบคำว่ามิจฉาชีพกับสา ม, มาชีพนี่มันการจะเข้าข่ายของสา ม, มาชีพจะจริงๆในลึกซึ้งเพราะอะไรเพราะว่าเรามีความโลภในทรัพย์สินเงินทองของบุคคลอื่นมันก็ไปไม่รอดอ่ะ การ ม, มีสมิชาจาร์นวิราสนาอย่างเงี้ยพอเข้าถึงใจเนี่ยสำรวเรื่องเพศแต่ไม่พอใจไม่ยินดีไม่ต้องการไม่เหนียวนึกตรึกนึกไม่เป็นชู้ทางใจกับพัญญาสามีของคนอื่นเพราะงั้นพวกเราเนี่ยจริงๆพอถึงจุดหนึ่งถ้าเขาเกิดเขาก็สงบก็เป็นวิเวกแต่ว่า ถามว่าปฏิบัติง่ายไหมมันก็ไม่ง่ายหรอกเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังจะได้ยินว่ามายกตัวอย่างเรื่องศีลห้ามาบ่อยศี่ห้ากักบกุศลกับบุตนียกบ่อยเพราะที่จริงก็ครอบคลุมหมดแล้วในแง่ของธรรมะปฏิบัติเนี่ยถ้าเราลึกจริงๆเนี่ยเข้าถึงเนื้อหาสาระก็จริงๆเนี่ยพวกนี้มันจะเกิดมาจากความเสียสละเกิดมาจากปัญญาเรื่องปัญญาขาจัด ทั้งโลภะทั้งโทสะ ท, ทั้งโมหะได้เหมือนคนที่เขาถึงจริงๆที่เป็นจิตคิดอนุเคราะห์ต่อสัตว์โลกแล้วก็เสงบอย่างนั้นไม่หวั่นไหวเลยเนี่ยมันเป็นพระเดียบุคค ล, ลนั่นเองเป็นสามัญชนเป็นไม่ได้หรอกไปยังไงใจมันอดแกว่งไม่ได้ยังก่อนฝั่งที่พระเขาสัมภาษณ์ในพระครูหรือจังหวัดหนึ่งที่ ถ้าทางก็คงมีส่วนนะฮะถูกแบกมีแผลวนารีพิฆาตแต่ว่าท่านท่านทาน่ทานพลาดมากเป็นพระครูรองเจ้าคณะอำเภอไปไหนมาไหนกับผู้หญิงสองคนแต่ตัวเองเป็นพระไปคนเดียวไปรถคันเดียวกันเนี่ยมันผิดตั้งแต่ต้นแล้วและไปกินข้าวเย็นในะอ้างว่าเป็นโรคกระเพาะนี่มันไม่มีทางอะ่ะไม่มีเหตุผลอะไร คือไม่ใช่เป็นโรคกระเพาะแล้วเขายกเว้นให้นะเขาไม่ยกเว้นนะฮบางคนถ้าเราต้องการต้องการจะกินมันก็สึกจ้ะสึกไปรักษาโรคกระเพาะให้หายแล้วอยากจะบวชก็บวชแต่ไม่จะไปกินกินกินข้าวเย็นทางที่เป็นพระแล้วก็อ้างเป็นโรคกระเพาะมันก็เกินเหตุเกินผลไปนะ งั้นเราจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องละเมิดละไมเพราะฉะนั้นศีลตรงเนี้ยเป็นศีลพระแล้วมันจ่ศีลโยมแล้วนะก็อย่างน้อยก็อย่างโยมก็อยู่ในศีลแปดล้วทีนี้เราเห็นว่านันทิกกพบสิ้นไปเพระจิตเข้าถึงโมกขะถ้าให้ขันอีกสามประการคือเวทนาสัญญาบิญญาเนี่ยเพราะอะไรเพราะสังขารขันเนี่ยมันดับ ตัวกิเลสเนี่ยมันดับเผื่อสังขารเนี่ยไปด้หมายถึงกิเลสเสมอไปนะฮะในสังขารขันธ์ก็มีครบทั้งสาอย่างนั่นแหละคือกุศลอกุศลอปยากริย์เพราะฉะนั้นเมื่อสังขารเขาดับเวทนาสัญญาวิญญาณเนี่ยมันก็สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าสุกสักแต่ว่าทุกสักแต่ว่าเวทนาสักแต่ว่าสัญญาสักแต่ว่ารูปเป็นต้นสักแต่ว่เห็นเป็นต้น มันไม่มีกิเลสนำมาปรุงต่อให้เกิดเป็นนันทิคือความกำนัดเพลิดเพลิพนหรือเกิดเป็นการปรุงแต่งแล้วก็เป็นบุญเป็นบาปขึ้นมาหมายความว่าพระหันในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเพราะว่าท่านละความอายุถือด้วยหนาตนาธรรมาทิฏฐิออกไปแล้วก็เป็นการละไดเด็ดขาด มันมีอารมณ์กระตุ้นอะไรก็ไม่รู้มันมันจะไม่บรรไว้ไปกับอารมณ์เหล่านั้นเพราะเราเห็นว่านแนวตรงนี้ที่จริงแล้วเนี่ยผลสูงสุดเป็นระดับมรรคผลเพราะว่าพูดถึงโมกษะเลยแต่ว่าในภาคสนามเนี่ยเราสามารถที่จะเอาชนะกิเลสได้ในแต่ละขณะของจิตก็ไม่ใช่ต่อเนื่องไปก่าวชั่วโมงสิบชั่วโมงอะไรต่ออะไร น, นะแต่ว่าพยายามทำ เป็เรื่องของความพยายามที่จะทําสมมติว่านั่งเรียนหนังสือนั่งอ่านหนังสือแล้วพยายามทําใจสงบอยู่กับหนังสือฟังก็พยายามให้ใจสงบอยู่กับการฟังในมีอะไร ก, ก็นั่งนับลมหายใจก็ออกไปหรือดูลมหายใจก็ออกไปหรือตามลมหายใจก็ออกไปหรือว่าเอาลูกประคำอะไรมานับอะไรตัเนี้ เพื่อทำจิตให้มันคุ้นๆกับความสงบพอจะติ้งเกิดจุดหนึ่งขึ้นมาเนี่ยปัญญาก็จะแบ่งแยกในสิ่งที่สัมผัสว่าอะไรมันอบอุ่นมันเยือกเย็นมันให้ความสุขให้ความสงบมากกว่ากันอันาจะเห็นได้ว่าปัญหาของเทวดาเนี่ยก็ความไม่ยาวอะแต่ว่า กรอบครอบขายเนี่มันลึกซึ้งมันก็มือกกเข้อความบางอย่างที่พระเจ้ารับสั่งแก่พระอนุนพระพระโมกขลันฮะสเบ ธ, ธ ร, รมานารังไปเวสายญาติหลวงพอ่อพุทธทาตไปรณรงค์เป็นประเด็นหลักในการเผยแผ่ธรรมะของท่านฮะมันก็พูดได้แต่ว่าเอาข้อจริงเนี่ยการไม่ยึดมั่นถึงมั่นเนี่ยไม่ใช่ง่ายนอกจากว่าทมเป็นขณะ เพราะว่าการยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันยึดมั่นถือมั่นด้วยตัณหามาณทิฏฐิหรือว่าด้วยอุปาทานอุปาทานก็ตัณหามาณทิฏฐินั่นแหละเพียงแต่ว่าตัณหามาณทิฏฐิเนี่ยทรงเรียกว่ากาหะแต่ถ้าเป็นอุปาทานอุปาทานก็สี่นะฮะกาอุปาทานทิตตุปาทานสีระปาตุปาทานอัตตวาทุปาทานมาคือโลกปุโรหะเหมือนเดิมปัญธา จะมายึดบั่นถือมั่นจริงๆเนี่ยโอ้เรื่องใหญ่สติต้องแหลมคมปัญญาต้องเฉียบขาดเฉียบคมแล้วความพยายามเองก็ต้องต่อเนื่องแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยต้องพยายามเพราะว่าโลกปัจจุบันถ้าเราไปแบกโลกเอาไว้เนี่ยมันยุ่งมากๆเลยนะข่าวคลาวสื่อสารต่างๆทั้งข่าวในประเทศตั้งข่าวนอกประเทศข่าวขัน้นระหว่างช่วงบงอะไรตัวมันเยอะมากๆเลย ก็ฟังสักแต่ว่าข่าวก็รับรู้สักแต่ว่าข่าวคือถ้าไม่เกี่ยวอะไรกับเราโดยตรงเนี่ยมันก็ต้องมายึดมั่นหรือมันอะไรหรือแม้แต่เกี่ยวแต่มันนอกวิสัยคือปัญหานอกวิสัยมาทําใจสงบเขาเรียกอยู่ด้วยเบกขาในอารมณ์ทั้งหลายไม่ปล่อยความยิน ด, ดียินร้ายเกิดขึ้นครอบงําใจทําได้อย่างนี้ก็จะเบาลงไปเยอะนะฮะ เราเห็นว่าสุขทุกเนี่ยจริงๆมันอยู่ที่ใจเราแต่ใจเรายึดถืออะไรหรือไม่ยึดถืออะไรเรายึดถือบางอย่างเรายึดมั่นในความดีเนี่ยเราก็เป็นสุขนะฮะเรายึดมั่นในสติเรายึดมั่นในสัมมชัญญะหรือมั่นในความเพียรยึดมั่นในพระตัตนมกายเนี่ยเรามีความสุขแต่ถ้าเป็นการยึดมั่นเพื่อที่อยู่ภายใต้าการบงการของกิเลสเนี่ยยังไงมันก็เพิ่มทุกข์แหะ ก็หมายความว่าถ้าเรายึดมั่นในส่วนนิโรธสัตว์กับสวนมรรคสัตว์มันก็เป็นสุขเพราะอะไรคำว่าการไม่ยึดมั่นถือมั่นก็คือการไม่ยึดมั่นถือมั่นในตัวสภาวธรรมที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยแล้วก็ไม่ยึดมั่นในตัวกิเลสเพราะกิเลสมันไปยึดมันแล้วก็ยุ่งทุกทีแหละแล้วฟังไปเลยเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนีน้เขาหยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเทีนี้ ที่ส่วนี้ขอความเจริญงอกงามไพรุ์ในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยตัวกันสวัสดี